ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยันสัมปันโนเสนอตอนที่25หลวงปู่มั่นป่วยครั้งสุดท้ายไปหาของดีๆมาเพื่อถวายหลวงปู่มั่นและตัดคอรองแทนหมู่เพื่อน หลวงตามหาบุญญาสัมปันโนได้ให้อวาธิธรรมเอาไว้ว่าเราอย่าถนองตัวว่าเราเป็นมนุษย์สูงกว่าสัตว์มันไม่มีอะไรสูงกว่าเขาแหลกความรู้ความเห็นความเป็นเป็นเรื่องของออกมาจากกิเลสด้วยกันกินเลสเป็นผู้ขยี้ขยำตามให้แหลกแต่กระจายเป็นเช่นเดียวกันแล้วเราจะอวดเนื้ออวดตัวยิ่งอยู่อย่างไรว่าเรานี้สูงกว่าสัตว์สิ่งทั้งหลายที่เราเสวย ก็เหมือนกันกันกบสัตว์สิ่งที่พาให้ทําก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสพาให้ทําจะพาคนหาะเหือเดินฟ้าไปที่ไหนก็มีแต่ความทุกข์ความทรมานล้วนๆนี้แหลเต็มอยู่ภายใน จ, ใจิตใจใครจะเป็นผู้ประดับาศาสนาถ้าไม่ใช่เร า, าศาสนาก็อยู่กับเราอีกด้วยในหัวใจของเรานี้สง่าขึ้นที่นี่งานขึ้นที่นี่หลุดพ้นที่นี่เห็นอย่างชัดแจ้งแจ้งชัดเจนณที่นี่ ให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าท้ออย่าถอยโลกกาินีเวลานี้กำลังเตือนเรื่องโลกเรื่องสงสารมันไม่เคยสงบมาจะไหนแต่ไรแหลกเราอยากไปตําหนมิมันสิ่งเหล่านี้เป็นของเคยมีมาจะดั้งจะเดิมแต่สิ่งที่ยั่วยวนกวนใจที่จะทําให้เล้วแหลกแวกแนวทางอับทางธรรมนี้มันมีมากขึ้นเขาพูดไปตามเรื่องของมันเฉยๆเราอย่าตื่นอย่าเต้นสิ่งเหล่านี้ เป็นของเคยมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมหลุงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านในพรรษาที่16ปีพุทธศักราช2492ในขณะที่องค์ท่านจำพรรษาที่วัดบ้านหองผือตำบลนานานา อ, อพนานานิคมจัังหวสกลนครเอาไว้ว่า เพราะแม่ครูจานมั่นอายุย่างเข้า80สิปีแล้วท่านก็เริ่มป่วยท่านเคยป่วยเคยไข้ามาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเป็นไข้ามาลาเรียเป็นไข้อะไรหนักๆท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องเป็นเรื่องตายเลยท่านป่วยเมื่อวันขึ้น14บ่ําเดือนสี่ปีพุทธศักราช2492ัน่เก้าสแต่พอเป็นคราวนี้เพียงเริ่มเป็นเท่านั้นไม่ได้เป็นมากมายอะไรเลยเราก็เพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวภาวนาอยู่ที่อำเภอวาริชภูมิ มาถึงท่านตอนคำ่ำท่านก็บอกว่าผมเริ่มป่วยมาตั้งแต่เมื่อวานซืนนี้นะการป่วยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายไม่มีวันหายยาจากเทวดาชั้นพรหมไหนๆก็มาเถอะไม่มียาขนานดใดในโลกนี้จะมาแก้ให้หายไข้นี้จึงเป็นไข้สุดท้ายแต่ไม่ตายง่ายๆนะเป็นโรคทรมานเขาเรียกว่าโรคขนแก่อย่าไปหาอยู่หายามาใสมารักษา มันเป็นไปตามสภาพของขันนี้แหละเอามารักษาก็เหมือนกับใส่ปุ๋ยแล้วรดน้ําต้นไม้ที่ตายแล้วยืนต้นจะให้มันผลิดอกออกผลออกใบมันย่อมเป็นไปไม่ได้รอแต่เวลาของมันเหลืออยู่ที่จะล้มลงจมแผ่นดินเท่านั้นนี่ก็อยู่แต่มันยังไม่ล้มเท่านั้นจะให้หายด้วยยาไม่หายนะนี่เพียงเริ่มเป็นเท่านั้นแล้วเพราะแม่ขุนจาร์มัน่นท่านก็ย้ำนักย้ำหนาอีกว่า ย่างเขา้าแปสิปีไม่เลยนะแปดสิปีโรคนี้เป็นไข้วัระสุดท้ายจะไม่หายจนกระทั่งตายจะตายด้วยป่วยคราวนี้แหละแต่ไม่ตายง่ายเป็นโรคทรมานก็เป็นจริงทุกอย่างอย่างที่องค์ท่านพูดตั้งแต่เดือนสี่ถึงเดือน12ฟังสีเจถึง8เดือนท่านเริ่มป่วยไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยสุมเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เป็นอย่างว่านั้นนั่นแหละความรู้ของท่านเรียดละอ่ ผิดกันไหมกับความรู้ของพวกเรานี่แหละความสามารถฉลาดรู้ของจิตจะมาวัดมาเหวียงมาเทเียบเคียนกันไม่ได้เรื่องจิตเป็นของพิสดารมากทีเดียวอย่างภูมิของพระพุทธเจ้ากับภูมิของพระสาวกนี้แม้จะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยกันก็ตามแต่ภูมิความรู้ที่ละเอียดสุขุมคำภีรภาพกว้างขวางลึกซึ้งไม่มีภูมิใดเกินภูมิของพระพุทธเจ้าแม้ความบริสุทธิ์จะเสมอกันก็ตามนี่มันเป็นอย่างนั้น เลื่อมตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าเพราะแม่ครูจานมั่นท่านจับด้วยเรดาตาสว่างเราจับด้วยเรดารมืดของเราเอาหัวชนไปเลยเราก็จับท่านเต็มกําลังของเราเหมือนกันแต่สุดท้ายผลเราหน้าผากแตกทุกทีหงายทุกทีสู้ท่านไม่ได้คนตาบอดกับคนตาดีต่างกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบางเวลา จึงหาอุบายหลาท่านมาอุดรไม่มีอุบายไม่ได้ต้องมีอุบายเต็มตัวข้อแจ้ตัวมาพร้อมเต็มตัวเลยหาอุบายมาจังหวัดอุดรธานีแต่ละครั้งนี้ความจริงตั้งใจมาหาเอาของไปถวายท่านจึงต้องหาอุบายที่จะให้ท่านยอมอนุญาตพอท่านอนุญาตแล้วเวลาจะไปก็ต้องมีอุบายพยายามอย่าไม่ให้ท่านจับได้ทำทีไปหาจันทนุนมาย้อมผ้าบ้างอะไรที่จำเป็น ที่จะไม่ถูกท่านตีหนาผากเอาพอมาถึงอุดรแล้วก็สั่งโยมให้เขาไปหาของในตลาดอันไหนที่เคยเห็นว่าท่านชอบฉันสั่งเลยสั่งเลยจัดใส่เข่งใส่เข่งจนเต็มที่แล้วแล้วจึงหาเอาแกนขนุนใส่ไปด้วยเพื่อเป็นข้อแจ้ตัวแกนขนุนนี่แหละคือแกนแจ้ตัวเวลาจําเป็นท่านซักถามเจ้าอันนี้เป็นข้อแจ้ตัวสิ่งของพร้อมหมดแล้วจึงขนขึ้นรถกลับ ข้าขากลับมาถึงอำเภอพ น, นานิคมจังหวัดสุโขทัยแล้วถังรถไปต่อไม่ได้ก็เอาเกวียนมาบรรทุกของที่เตรียมเอาไปถาไวายท่านเต็มล้อเลยเทียวพอกลับถึงวัดบ้านหนองคือต้องทําแบบหลบๆซ่อนๆลุกห ล, ลีก ล, ลุกเินตลอดให้เินรมาขน ท, ทัน ท, ทีทันทีเดี๋ยเข้าไปซ่อนไว้หมดไม่ให้มีพิรุธไม่ท่านเห็นไม่ให้ล้อเกวียนเข้าไปเลืกหน้าเดื่อท่านจะมองเห็น ต้องจอดไ้ข้างนอกแล้วก็ขนเอาไปเก็บไว้ในกระสอบเก็บไว้ที่ไหนดีๆเรนรเท็งนี่แหละหมายถึงพระจันท์เพลงเทมาทิรโตวัฒนกองเทงเป็นผู้คอยปฏิบัติกับเราแล้วก็คอยดูท่านพอเรียบร้อยแล้วจึงไปหาท่านเพราะท่านทราบว่าเรามาแล้วตอนเช้าถ้าเดินมิสิบัดออกมานี้ตาท่านสายสายรอยลอ้อรอยเกวียนเราเอาไม้กวาดไปกวาดไว้หมดนะไม่ให้ท่านเห็นเราก็ว่าเรารอบคอบดี แต่ในพ้นตาท่านจับจนได้เห็นรอยล้ออยู่นั้นกวาดไม่หมดจึงถามว่านี่รอยเกวียนมาจากไหนท่านจี้เข้าไปเลยนะเอาอีกละกูไตเราทีนี้เราอุทานในใจอ้อมาจากทางอำเภอพานาเห็นจันขนุนดีๆก็เลยเอาจันขนุนมากราบเพียนองค์ท่านท่านก็เลยนิ่งเลยนะนี่เห็นไหมท่านจับได้แล้วนั่นอยู่ๆต่อมาสักพักท่านปัดกวาดมองนูน้นมองนี้กวาดนั้นกวาดนี้ เดินไปตรงดิงเปิดกุฏิที่เราเก็บของที่คนมาจนได้โถอะไรเต็มอยู่ในนี่ทันทีถามอุ้ยเราจะตายเราหาข้อแจ้ตัวเรื่องอาหารการฉันนี้อะไรที่ถูกกับธาตุขันของท่านก็เราปฏิบัติอยู่ตลอดท่านชอบฉันอะไรบ้างเราสังเกตอยู่ตลอดอันไหนที่ท่านเมตตาฉันเห็นว่าถูกกับธาตุกับขันของท่านเราจะไปหาสิ่งนั้นมาเป็นเคงเคงก็องเอามาอย่างเต็มเนียวถ้าได้โอกาสลาท่านไปเที่ยวกรรมฐ า, านทางไห น, น ในฝ่าในเขามีอะไรที่ถูกกับภานกับขันขององค์ท่านก็ไปหาเอามาอีกไม่ได้นึกว่าท่านจะรู้หดเวลาท่านใส่นี้โอยใส่นี้งางหมาเลยไม่ได้ไงธรรมดาไม่มีท่าต่อสู้สู้ท่านไม่ได้ว่างันเถอะเรียงทีเดียวไงเลยลุงตามหาบุญญาสัมพันโน ได้เล่าทีว่าประวัติของท่านในขณะจำภาษาอยู่กับหลวงปู่มั่นปุริศตะเทระที่วัดบ้านน้องผือต่อไปอีกว่าในตอนเช้าตอนจะฉันท่านเอาตอนที่ปิดประตูตีหมาเพื่อมันจะได้ขี้ทะลักออกเรานั่งอยู่ตรงนี้ท่านก็นั่งอยู่ตรงนั้นกำลังจะฉันท่านพูดเปรย์เปยขึ้นว่าพระเหล่านี้แต่ละองค์แต่ละองค์ไนิสายไม่เหมือนกันองค์หนึ่งเดินทางหนึ่งทางหนึ่ง ท่านโกงมาก็เด่นทางผ้ามาทีไรต้องได้ผ้ามาเป็นไม้ๆทั้งๆ ท, ที่ผ้าหายากนะสมัยนั้นสงครามโลกผ้าหายากท่านหามาแต่ไหนก็ไม่รู้แหละอาจารย์ศรีลาบ้านวาอากรตำหน่วยนี้เก่งทางมีดโกนทองมาทีไรเป็นกรรำๆเป็นมัดๆมาเลยแจกพระเนนได้ชั่วทั้งวัดองค์นั้นเก่งทางนั้นทางนั้นเราก็ฟังไปอย่างนั้นแหละอง์นั้นเด่นทางนั้นทางนั้นเราก็มีแต่ฟังเพลิน ฟังอ้าปากค้างพอท่านชมองนั้นอง์นี้หมดแล้วก็หันมาหาเราชี้เลยว่านี่ตัวยุ่งที่สุดคือตัวนี้มียุ่งที่สุดไปที่ไหนอะไรแหลกไปเลยอะไรอะไรที่ไหนมันไปยุ่งเอาหมดอะไรอยู่ที่ไหนมันไปเห็นหมดไปยุ่งหมดกูตายพระอุทานในใจเอาแล้วทีนี้จะสู้ท่านดียังไงเราโมแต่ฟังท่านเพลินเวลาท่านจะปาดเรานี้เราไม่ได้ดูท่านใส่เอาอย่างถนัด เราก็หมอบก็มันเป็นความจริงนึกว่าท่านจะไม่รู้เห็นไม่หละัะอย่างนั้นแล้วเวลาท่านตีเรื่องพราเนนก็เหมือนกันเรานี้เรียกว่ารับแทนหมูเพื่อนในวัดเด็ดดุก็อยู่กับเราแต่เวลาจำเป็นนี้เราตัดขอเข้ารองเข้ารองใครผิดที่ไหนเราก็หาอุบายสอดเข้าไปหาอุบายเข้าไปได้ไม่ได้แต่งขึ้นนะมันถักนี้เงื่อนพอเข้าไปถึงได้เราก็าไปอันนั้นผิดอย่างนั้น ผิดอย่างนี้เราก็บอกว่าเรื่องราวมันเกี่ยวกับเรื่องกระผมเราสังห้มู่เพื่อนทําอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ว่าไปพอมาถึงเราเราเป็นคนผิดแล้วท่านก็นิ่งเสียนิ่งหนหนึง่งนิ่งหนึ่สอนิ่งหลายกว่าหลายหนพระเนรไม่ใช่น้อยองค์นี่เดี๋ยวองค์นั้นผิดอย่างนั้นองค์นี้ผิดอย่างนี้มีแต่เราเป็นผู้ตัดคอรองรั้า น, นั้นๆเข้าก็าเอาตอนฉันจังหันหนั่นแหละตอนเงียบๆหมดเวลาจะขึ้นท่านกล่าวว่า พระเนนผิดท้ายวัดหัววัดก็มหาบัวผิดพระเนนหูหนบตาบอดผิดก็มหาบัวผิดเป็นใบเป็นบอผิดก็มหาบัวผิดมหาบัวผิดทั่วทั้งวัดพระเนนหูหนกตาบอดเป็นบ้าเป็นบอมาจากไหนเข้ามาในวัดนี้มีแต่ผู้ถูกทั้งหมดมหาบัวผิดอยู่คนเดียวเฮ้มหาโองนี้มันโง่ถึงขนาดนั้นเชียวหรอท่านรู้แล้วว่าเราตัดคอรองแทนเพื่อนเราก็หมอบเสียอย่างนั้นล่ะเห็นไหม จับได้หมดเวลาพระเนนจะเป็นแต่ตายเราก็ตัดพอรองแต่เวลาออกมาแล้วก็สอนอย่างน้อยก็สอนมากกว่านั้นจับบิดเอาเลยทํำไมทําอย่างนั้นอย่างนั้นกี่เอาเลยก็เราเป็นคนรองออกมาแล้วนั่นละ่ะแล้วนึนนกว่าท่านจะรู้จะจับได้ถึงไม่ละ่ะจับได้หมดเลยอย่างนี้สิเราถึงได้เทิดทูลเพราะแม่ครูจารมั่นนี้ท่านตามดูจริงๆ จ, จับทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดจับหมดเลยเพราะฉะนั้น เราถึงเทิดทูนสุดยอดอะไรก็ตามท่านเห็นหมดเราพยายามทำแบบไหนท่านเห็นหมดแต่ท่านก็พอที่จะคิดบ้างว่านี่มันก็ต้องใช้ปัญญาเต็มภูมิมนนั่นแหละแต่ปัญญานี้มันเป็นปัญญาหางอื่งเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านนี้ลงใจทันทีทันทีเราสุดกำลังความสามารถของเราที่จะพิพจิารณาสังเกตสังกาท่านในวันหลักธรรมหลักวินยัย ไม่มีเคลื่อนค้าดเลยที่เราเทิดทูนสุดยอดก็คือเรื่องความฉลาดแหลมคมขององค์ท่านการปฏิบัตินี้ตรงแนวตามตำรับตำราพระวินัยข้อไหนข้อไหนตรงไหนท่านเจ็บหอมรอมริทเรียบหมดไม่มีเรี่ยราศดกระจายพ น, นาไม่หมดเรื่องเรด้าท่านจับรางนี่ท่านจับจริงๆไม่ใช่ธรรมดา